บทที่74เท่าแก่บกเวลา11นาฬิกาท่านพระครูเชื้อเชิญบรรดาผู้มีใบหน้าอันเพื่อนทุกไปรับประทานอาหารที่โรงครัวตัวท่านเองกำลังขึ้นไปตอบจดหมายยังกุฏิชั้นบน เท่าแก่เสงงกับคนขับแท็กซี่ประคองชายสูงอายุร่างผอมบางเข้ามาในกุฏิคนทั้งสามกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งแล้วคนอาวุโสที่สุดในที่นั้นก็กล่าวขึ้นว่าหลวงพ่อครับจำเท่าแก่บกน้องชายของผมที่ขายทองอยู่เยาวราชได้ไหมครับหลวงพ่อเคยเล่า ว, ว่าเคยพาลูกศิษย์เข้าไปซื้อทองท่านพระครูนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่ง จึงตอบว่าจำได้สิแต่อาตมาไม่ได้พาพวกเข้าไปซื้อนะเขาพากันไปซื้อเองอาตมายืนรออยู่หน้าร้านและท่าแก่เจ้าของร้านเขานิมนต์ให้เขาไปดื่มน้ำชาแถมถวายเงินมาสร้างโบสถ์อีกสองพันบาทถ้าเล่าเหตุการณ์เมื่อ2ี่สิกว่าปีก่อนโน้นเป็นไงเดี๋ยวนี้โยมเตี่ยสบายดีหรือท่านหมายถึงท็อแก่บก ผู้ซึ่งพูดกับท่านในสมัยที่ท่านเป็นเด็กว่าวังนี้ลือเรียกอ้ววะไอเจ็กบ้าวังหน้าลือต้องเลียกอ้ววะเตียยังจําเพงลงโปรดที่ท่านแต่งขึ้นล้อเลียนฝ่ายนั้นได้เจ็กบกตกน้ําตายเมียร้องไห้เสียดายเจ็กบกโยมเตียไหนครับเท่าแก่เสงถามง ง, ง เพราะหากท่านจะหมายถึงบิดาของเขาก็คงเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเตี่ยของเขาได้ลาจากโลกนี้เป็นนานนับสิบปีแล้วก็โยมเตี่ยของอัตมาไงล่ะโยมเตี่ยบกนะ่ะอ๋อนี่ไงครับผมพามากราบหลวงพ่อด้วยท่านเจ้าของกุฏิเพ่งพิษดูบุรุษร่างผอมบางตรงหน้า จึงพบว่าเขาไม่ได้ผอมบางอย่างเดียวหากซูบซีดไร้ชีวิตชีวาไม่ต่างไปจากซากศพภาพผู้ชายวัยกลางคนร่างกำยมล่ำสันที่ท่านคุ้นตาในวัยเด็กไม่มีหลงเหลืออยู่ในตัวบุรุษผู้นี้โยมเตียทาไมถึงผอมอย่างนี้ละ่ะท่านทักทั้งไม่ต้องเหลียกอ้ววาเตียก่อนไล่เหลียกไอเจ๊กบกยังเริ่มก่อนไล่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 คนเป็นพี่ชายเล่าและโยมเตียไม่คิดถึงลูกหลานหรือท่านเจ้าของกุฏิทดสอบภาวะทางจิตใจของคนป่วยคิดถึงก็ต่องตักใจทำยังไงหลายหลักทางคงเราเกดเกเลี้ยวก็ต่องตายว่าทำงานหนักมาตลอดชีวิตเหลือเวลาอีกแค่สางเองกอขอมาอยู่กับพระขอยึกเอาพระ รัตน์ตายเป็นทีพึ่งเวลาตายจะาหลานองตาหลักห่วงลูกกลางเหลียวนองตาไม่หลักน้องชายเท้าแกเสงว่าดีจริงโยมเตี่ยคิดได้อย่างนี้ดีมากเลยเราต้องยึดพระรันตนรัรเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะนั่นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงดังพุทธวจนะที่ว่าท่านอัญเชิญพุทธพ์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 ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจคือความเป็นจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสารณะอันกเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุด เขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมพ้นทุกทั้งปวงได้ง้งอ้วกคิดถูกเลี้ยวใช่ไหมที่มาหาทั้งว่าสบายเลี้ยวไม่กลัวตายอีกต่อไปเลี้ยวเท่าแก่บกกล่าวอย่างยินดีท่านพระครูออกแปลกใจที่เห็นเขาไม่ทุรนทุรายเช่นคนเป็นมะเร็งโดยทั่วๆไปจึงถามขึ้นว่าโยมเตียไม่ปวดเมื่อยหรือ อาตมาเห็นคนเป็นมะเร็งเขาปวดร้องโอยๆการแถบทั้งนั้นปวกซี่ทางทั้งไม่จะไม่ปวกแต่อ้วไม่แสดงอาการทุลงทุลายเพราะท่างช่วยอ้วอาตมาช่วยโยมเตยอย่างไรหรือท่านเจ้าของกุฏิไม่เข้าใจ ช่วยสิท่านช่วยอ้วกมากจริงๆว่าถึงอยากมาตายกับท่านเฮียเสงลือช่วยอธิบายให้ท่านฟังหน่อยอ้วะเหนื่อยเขายั้งปากไว้ทันไม่ใช่นั้นคำว่าจิตหายเลยก็ต้องเล็ดลอดออกมาตั้งแต่พี่ชายสอนกรรมฐานให้เขาลดละปลุสวาจาลงไปได้โขทีเดียว คืออย่างนี้ครับหลวงพ่อเท่าแก่เสียงอธิบายตอนที่เขาป่วยผมก็มันไปเยี่ยมเขาตอนนั้นเขามีอาการทุรนทุรายมากร้องอดโอยจนถูกนางพยาบาลดุเอาบ่อยๆลูกหลานไปเยี่ยมก็ด่าจนพวกเขาไม่ไปเยี่ยมพ่อพวกเขาไม่ไปก็ด่าอีกผมก็เลยค่อยๆสอนกรรมฐานให้วันละเล็กวันละน้อย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 ไม่แช่อัตมาช่วยรอกพี่ชายของโยมเตี๋ยต่างหากที่ช่วยทั้งนางและช่วยเพราะถัดทางใหม่สองกัรมาถังให้เฮียเสงเฮียเสงเขาก่อมาสองอัวไม่ลายจริงละเปล่าเท่าแก่บกพยายามยัดเยียดความดีให้กับท่านพระครูเอาละจริงกอดจริงอัตมาขออนุโมทนากับโยมเตี๋ยด้วยยังไงยังไงโยมเตี๋ยก็ไม่ไปอบายภูมิแล้ว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 ด้วยการเจริญกรรมฐานและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ส่วนอีก 30% เปอร์เซน์ท่านจะเข้าผลสมาบัติสมวันสามคืนช่วยดีเหมือนกันเราจะได้ชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับแก่สมัยเราเป็นเด็กเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงคิดในใจรู้สึกยินดีที่ได้ชดใช้หนี้ที่ทำไว้ตั้งแต่ครั้งอดีตโยมเตีย อาตมาถามจริงๆเธอว่ากลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวว่าไม่กลัวตายแต่ก็ไม่อยากตายคนเป็นมะเร็งลำไส้ตอบแล้วถ้าสมมติว่าโยมเตี๋ยจะมีอายุยืนต่อไปอีกห้าปีโยมเตี่ยจะทำอะไรว่าจะปฏิบัติก ร, ร ม, มาถังเหมืองเฮียเส็งเขาจะปฏิบัติทุกวังแล้วสมมตินะ สมมุติอีกว่ามีเทวดามาต่ออายุให้เตียอยู่ได้อีกห้าปีเตียจะเอาไหมเทวาลานาหนาอีจะมาต่อให้อั้วหลักทางแต่ถ้ามีนะอ้วก็จะให้เงินอีห้ามึงคิกชาเหลียปีละมึงถ้าอี ต, ต่อไล่สองปีก็ให้อีสองมึงแหมเตรียมศินบนเจ้านาโยมเตียแต่เอาเธออาตมาจะบอกเทวดาเขาว่า ไม่ให้คิดเงินให้ต่อให้ฟรีอยากรู้ไม่ว่าเทวดาองค์นั้นอยู่ที่ไหนหมายลูกนี่ไงเทวดาองค์นี้ไงท่านชี้เท่าแก่เสียงแล้วบอกวิธีการตามที่เห็นหนอรายงานเท่าแก่บกดีใจเส้นนักมีความรู้สึกเหมือนโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายไปในบัตรดนเขาก้มลงกราบท่านเจ้าของกุฏิด้วยความซาบซึง้ง ตกลงโยมเท่าแก่อยู่ที่นี่เจ็ดวันนะอยู่เป็นเทวดาช่วยโยมเตียเขาหน่อยเพราะคิดว่าส่งเท่าแก่บกเขาไปแล้วก็จะกลับพี่ชายคนป่วยว่าไม่มีปัญหาโยมไม่มีปัญหาประเดี๋ยวเบิกของวัดไปใช้จะต้องกลับไปให้เสียเวลาทำไมและพวกยาสีฟันแปรงสีฟัน ประเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เขาจัดหามาให้ครับอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นผมจะฝากนายสุกไปบอกคุณกิมง้อเขาจะได้ไม่ห่วงเขาหมายถึงคนขับแท็กซี่ที่มาด้วยนายสุกจึงได้โอกาสกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับที่เคยมากับเท่าแก่ครั้งที่แล้วเดี๋ยวนี้ผมสบายแล้วครับหลวงพ่อ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 จึงชมว่าเออเข้าทีความคิดของโยมเข้าทีอัตมามีโอกาสได้คุยกับท่านนายกจะลองเสนอท่านดูนะท่านพูดยิ้มยิ้มนี่ทานข่าวกันมาหรือยังคุยกันจนเพลิน ไปรับประทานอาหารกันเสร็จก่อนดีกว่านะเชิญที่โรงครัวเลยสมชายมานี่หน่อยท่านเรียกหาสิทวัดพาโยมเข้าไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็พาไปหาที่พักให้พักห้องเดียวกันนะจะได้ช่วยกันดูแลคนป่วยให้โยมเถาแก่ช่วยดูแลโยมเตียท่านจำต้องอธิบายให้แจมแจ้งมิฉะนั้นสิทวัดก็จะเข้าใจว่า ตัวเขาจะต้องไปนอนกับบุรุษทั้งสองด้วยขาดเหลืออะไรก็บอกเด็กเขานะโยมท่านบอกสองพี่น้องขอบพระคุณครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงพูดพร้อมกับยกมือไหว้หนึ่งครั้งผมเลยถือโอกาสกลาบลาหลวงพ่อนะครับคนขับแท็กซี่กล่าวลาหากเขาอิ่มข้าวแล้วมาลาก็จะต้องรอคิวอีกนาน จเจริญพรแล้วเมื่อไหร่จะมาเข้ากรรมฐานละ่ะท่านเจ้าของกุฏิถามผมปฏิบัติทุกวันเลยครับเรียนมาจากเท่าแกแกบอกผมจบเปิดบ้านเป็นสำนักปฏิบัติแล้วนะครับหลวงพอ่อเดี๋ยวคนโน้นมาให้สอนเดี๋ยวคนนี้มาให้สอนคนชื่อเสง่รายงานดีถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ถือว่าเป็นมหากุศลเลยทีเดียว ไม่มีอะไรจะดีไปกว่ากรรมาฐานอีกแล้วสร้างโบสถ์เจ็ดหลังก็ยังได้บุญไม่เท่าออการปฏิบัติกรรมาฐานแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอีกด้วยคนทั้งสาลุกตามในสมชายออกไปแล้วบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกก็พากันทยอยเข้ามาจาวอาวาตวัดป่ามะม่วงจึงไม่มีเวลาขึ้นไปตอบจดหมายช่วงเพนเวลาตีสอง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 หายพันเปอร์เซนต์ก็ท่านจะเข้าผลสมบัติช่วยเขาไม่ใช่หรือถากินยาแล้วไม่ต้องช่วยไม่ได้หรือรายอื่นได้แต่ลายนี่ไม่ได้ทําไมไม่ได้ก็ท่านลั่นวาจาไปแล้วถ้าไม่ทาตามนั้นท่านก็เสียสัจจะนะสิงั้นก็บอกมาบอกแล้วต้องลุกขึ้นจดไว้นะไม่งั้นตอนเช้าลืมหมดไม่รู้ด้วยต้องจดสิ อาตมาต้องจดไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้วถ้าไม่เด็บเป็นอย่างที่บอกจะได้ปรับจะให้ปรับที่ใครละ่ะปรับตัวเองนั่นแหละเอาละน้จะบอกละจำให้แม่นแม่นนะยาแก้โรคมะเร็งที่ว่านี้ก็คือใช้กล้วยน้ำว้าดิบมาหั่นตามขวางหั่นทั้งเปลือกนะจำได้หรือเปล่ากล้วยน้ำว้าน่ะกล้วยอื่นไม่ได้แลวก็ต้องดิบดิบ สุกไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ต้องปอกเปลือกนำมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆแล้วก็นำไปผึ่งแดดให้แห้งจากร้านขายยาบดให้ละเอียดเวลาจะกินก็ใช้ชงกับน้ำร้อนเหมือนชงชาดื่มวัน ล, ละหลายครั้งยิ่งมากครั้งเท่าไรก็ยิ่งดีเอาละลุกขึ้นไปจดได้แล้วจะไปแล้วหรืออยู่คุยกันก่อนสิ เมื่อไม่มีเสียงตอบท่านก็ลุกขึ้นมาจดเสร็จแล้วจึงจำวัดวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉันพัฒหารเช้าเสร็ จ, จเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงจึงพูดกับนายสมชายและนายขุนทองว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะงดรับแขกสามวันหลวงพ่อจะไปไหนห่ะครับนายสมชายถามจะเข้าผลสมาบัติให้เธอย้ายไปอยู่กับพระบวัวเฮียวชั่วคราว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 ถ้าไม่ใช่ปากแล้วจะเอาอะไรพูดละ่ะพี่นิบถามแปลกหรือว่าพี่จะเอาตูดพูดได้ในขุนทองย้อนนี่พอทีพอทีอย่ามาทะเลาะกันต่อหน้าต่อตาค่ะท่านพระครูปรางก็เข้ามาว่าหนูก่อนนี้ฮะหลานชายยังไม่ยอมหยุดก่อปากเองบันดีนักหนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีฟังได้เส้เมื่อไร นายสมชายก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเอาละเอาละพอกันทั้งคู่นั่นแหละขุนทองเอ็งไม่ต้องห่วงข้ารอกถ้าไฟมันจะไหม้ ก, ก็ให้มันไหม้ไปเองขนของของเองออกไปก็แล้วกันแล้วก็ไม่ใช่โมแต่ขนของจนลืมขนตัวเองไปด้วยละ่ะท่านบอกหลานชายแต่หนูห่วงหลงหลงนี่ฮะชายหนุ่มว่าเออหนาไม่ต้องห่วงข้ารอก รับรองข้าไม่ถูกไฟครอกตายหรอกนะดวงข้าไม่ต้องตายด้วยไฟอ่อสมชายเธอจัดการปรุงยาให้โยมน้องชายเถอะแก่ด้วยนะแล้วท่านจึงบอกยาผีบอกแกสิทวัดเอาละ่ะเดี๋ยวไปจัดการตามที่สั่งก็แล้วกันสมชายเธอเป็นคนเก็บลูกกุญแจไว้เก็บให้ดีนะใครขอไม่ต้องให้บอกว่าฉันสัง่ง